ขอกราบสวัสดีท่านผู้ฟังรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบดุลท่านครับวันนี้รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบดุลจะเป็นรายการสดครับโดยมีกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติภูมิมีประดิษฐ์ผู้อำนวยการสนับวิชาการศึกษา ท, ทั่วไปมหาวิทยาลัยสิบดุลเป็นผู้ดำเนินรายการครับ วันนี้เช่นเคยครับทางรายการการพัฒนาพรังปรคุณประเทศยกดิลกวัดบอลในวิทยาลัเป็นวิเราะห์ตอบปัญหาธรรมะครับมายได้โทรศัพท์ของทางรายการคือ022413315 022413315ข อ, อข้อข้อคําถามต้องไม่ไปประเด็นเกี่ยวข้องกับทางการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับคนที่สามนะครับเพราะสถานีวิทยุที่เราจัดรายการแย่งนี้เป็นสถานีวิทยุของทางราชการครับ เ, เริ่มต้นก่อนอื่นขอญาตกล่าวอนุโมทนาบุญกับท่านคุณสำเพาอ่วมวิไลก่อนนะครับ คุณสำเภาอุว่มวิวรัยที่อยู่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับขอให้ญาตินิดหนึ่งว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับท่านได้ส่งธานานัตนะครับเบอร์จากเงินมาเพื่อร่วมสนทุกทุนการก่อสร้างนะครับศูนย์สงเสริมวัฒนศนะจำนวนเงิน1นึ่ื่นบาทนะครับแล้วเมื่อครั้งที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วบังเอิญหยุดกหลายวันนะครับก็เลยไม่ได้ออนำมาเก่าวน้มนธนาบุญในรายการนี้นะครับตอนนี้ได้จัดส่งให้ทางด้านศูนย์สงเสริมวัฒนศนะเรียบร้อยเลยนะครับและทางด้านจากสิบเอกบุญมีนิ่นธานีห้าร ได้จะส่งไปที่ศูนย์สงเสริมพุทธศาสนาที่วัดบวรนิเวศเรียบร้อยแล้วนะครับร่ขอญาติหนึงน่งนะครับท่านผู้รับฟังรายการนะครับที่จ ะ, ะส่งเงินมานะครับขอญาตให้ท่านไปส่งที่ศูนย์สงเสริมพุทธศาสนาได้เลยนะครับเนื่องจากว่าบางครั้งส่งมาที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ติดขัดในเรื่องของเวลาที่ธนานะส่งมานะครับถ้าส่งไปที่ศูนย์สงเสริมที่วัดบวรนิเวศจะได้รับโดยตรงเลยนะครับก็ขอบคุณและขออนุโมทนาบุญกับแฟรายการทั้งสามท่านด้วยนะครับท่านผู้เดบอดคุณครับ นีเรื่องขอส่งเสริมท่านประเด็จคุณครับเอ่อตอนนี้ก็คือมันก่อนนะั้นมีคนทวงติงเรื่องสถานที่เล็กไปบ้างแคบไปบ้างะอะไรต่างๆก็ก็ไปดูกันหลายที่แล้วก็เสร็จแล้วก็กลับมาที่เดิมที่ที่เคยเป็นปั๊มก่อนใกล้วัดลานนาบุญนั่นแหละเพราะว่ามันมันจะตัดปัญหาอะไรลงคือคือเราจะเอาเป็นสำนักงาน 20เป็นที่ทำการศูนย์ส่งเสริมพุทธศาสนาก็ตามกรอบเกิดมาว่าที่ผลเอกเสรีท่านออกแบบมาให้สามเฟรตนะฮะถ้าหากว่าทำได้โอ้โหใช่ใชประโยชน์ได้เยอะเลยมายังยังฝันอยู่นะแต่ว่าคือมันที่กลัวมากเลยเนี่ยคือคือค่าก่อสร้างครับก็ที่มีหนังสือที่ฝากท่านอาจารย์ไปให้ถึงผลเอกเสรีแต่เพื่อขอให้ท่านท่านช่วย เป็นหลักให้ ใ, ในเรื่องตรงนี้ก็ยังนึกฝันว่าเออถ้ามหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นเจ้าภาพแล้วก็เป็นหมหาวิทยาลัยแห่งแรกในโลกที่สร้างศูนย์ส่งเสริมศา ส, น, ส, น, สนาอุ้มันยิ่งใหญ่เนาะประวัติศาสตร์สร้างรอวัติศาสตร์รตหน้าใหม่ขณะอีกหน้าหนึ่งรล้วเขาก็สนับสนุนงานาศาสนาอยู่แล้วแล้วก็คุณละคุณยุวดีอะไรนะนนก็ ก็ก็หวังไว้นะฮะหวังไว้แต่ว่าก็สรุปว่าลงตัวตรงนี้เป็นที่ตั้งแน่นอนแล้วก็ญาติโยมที่ต้องการสนับสนุนก็ส่งมาได้เลยนะฮะเพราะว่ายังยังคิดว่าเราประสานกับเทศบาลอนุนให้ได้เรียบร้อยคุยอะไรก็เป็นการภายในไปแล้วนะว่าเราเสนอแบบก็อนุมัติมันก็ปรุงปรลงมือได้ ขอบคุณท่านจาจารย์ครับสายแรกมานรออยู่ครับสวัสดีครับท่านสวัสดีข้าพเเรกรายการครับสวัสดีข้าพเเรกรายการครับครับสวัสดีครับเื่อสอบถามได้เลยครับแข่งขันในขันห้าหมายถึงอะไรครับแล้วก็มูทิตาในปุ่มวิหารสี่ข้อหนึ่งนะครับครับผมข้อสองเสียงสับเพื่อค้าขายนีบาปไหมครับแค่นี้ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ สังขารคับท่านครัเออสังขารในขันห้าโดยสรุปแล้วนะฮะคือหมายถึงกุศลอกุศลแล้วก็กลางๆหมาย <Yeah. S 1> ความมาธรรมะทั้งหมดอ่ะธรรมะที่เป็นนามธรรมทั้งหมดอ่ะคือ <Yeah. S 1> อยู่ในสังขารในขันห้าแล้วก็เออส่วนกลางๆโดยเช่นว่าเวทนาการสัญญาที่ยิงก็เขาสังขารเหมือนกันครับอ <Yeah. S 1> ่จะเป็นอภิญากตะคือเป็นกลางๆางแล้วก็ส่วนสังขารที่เป็นรูปธรรมก็อยู่ในในรูปคร <Yeah. S 1> นะเพราะงั้น เอเราเห็นว่าในรูปเองเขาก็เป็นสังขารจะเป็นสังขารแต่ว่าเฉพาะขันห้าเนี่ยเน้นเฉพาะสังขารคือกุศลธรรมะกุศลธรรมะปยากตาธรรมาที่เราสวดหมดแล้วธรรมะก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็มุทิตาเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ขจัดริษยาออกไปแต่ในขณะเดียวกันไอ้ข้าสึกใกล้ชิดกับมุทิตาในเราไม่เคยรู้จักเขาเรียกอุณายะ เช่นสมมติอาจารย์ไปมุทิตากับใครสักคนหนึ่งก็คิดว่าเขาคงมีของขวัญเราไม่ได้ของฝันรู้สึกไม่พอใจได้งานใหญ่โตไม่เห็นมีของขวัญเลยนะบางทีเราไปเผาศพเรื่องอยากได้หนังสือเราก็ไม่หนังสือแล้วก็ไม่พอใจทําไมหน้างานศพใหญ่โตไม่เห็นมีแจกหนังสือเลยคือแสดงว่าเราไม่ได้มุทิตาจริงอะ่ะแต่ว่าเราไปด้วยโลภโลภอ่อนอ่อนอุน ญ, ญา่ากัขอมีส่วนแบ่งมีส่วนร่วม เพื่อนได้รับรางวัลขอให้เลี้ยงหน่อยแต่งงานเด็กๆนะไปขอเปนของจำรวยหน่อยแต่เด็กๆอะเพยเอาอะไรกับเด็กๆเด็กก็กำลังตั้งเนื้อตั้งตัวแล้วผู้ใหญ่ยังไปขอของจำรวยจากเด็กอีกใจคอหรือกันเนี่ยนะโดยเฉมุติตาจึงพูดพูดง่ายนะแต่ทำยาก เพราะว่าโลภามันอยู่เยอะมนุษย์เนี่ยบางทีก็ริษยาริษยาจะแรงค่าสึกใกล้ค่าสึกไกลตามปกติเราจะเห็นค่าสึกไกลแต่เราไม่ได้ถึงข่าสึกได้ค่าสึกไดมันเป็นลักษณะของโลภะหมายความไงหมายความว่าเราอยากได้เจ้เองแต่ว่าเราไม่ได้เลยขอมีส่วนแบ่งหน่อยการเลียงสัตว์การเลี้ยงสรตว์มันผิดอยู่แล้วคือคืออย่าลืมว่าจะเลี้ยงโดยเหตุอะไรก็ตามแม้แต่ว่าเลี้ยงดูเล่นก็คือทรมานสัตทรกรรมสัตว์ <ừ> บาทั้งนั้นนะฮะบาทั้งนั้นเรานึกดูกันแล้วกันนะฮะว่าเขาเรียกเราไว้ขายนี่ได้บุญหรือเปล่าก็ไม่ได้อยู่ก <c oughs> ็ไม่ได้อยู่ครับอาจารครับขอบคุณท่านเจ้าเปิดแจ้งกับสายที่สองมารออยู่ครับสวัสดีครับสวัสดี ค, ค่ะตัดเครืสอบถามดได้เลยครับสวัสดีผู้ดำเนินรายการและขอนามสกาลพระคุณเจ้าจ้าค่ะเออหนูมีคําถามถามคํามหนึ่งหน่อยแต่ว่า คือปกติแล้วจะอยู่ธรรมดาเนี่ยจิตอาวร์หรือไงไม่ทราบพออยู่ว่างๆแล้วเนี่ยจะเรียกแต่แม่คาเดียวเลยค่ะรู้สึกว่ามันมีความเคลือบอยู่ในใจอตลอดเวลาว่าทั้งที่ว่าไม่ไม่ได้ทุกข์เลยนั่นเจ้าคะแต่ว่าร้องเรียกหาบดิดขึ้นกลางคืนหรือว่าอยู่ว่างหรือขับรถคนเดียวก็จะเรียกแม่ไม่รู้ว่าแม่รอเราอยู่หรือว่าจิตอาวรไม่ทรา บ, รบขอถามท่านอ้จารย์เจ้าคุณเจ้ามันกับตุ้มมาก เป็นจิตที่มันเสพคุ้นมาตั้งแต่เด็กนะฮะคือแสดงว่ามีความผูกพันลึกๆอยู่กับแม่แล้วพอว่าเว ก, ก็ก็จิตนั้นบางคุดขึ้นมาก็ทําให้ให้เกิดเป็นบางทีเป็นเป็นอุทานบางทีเป็นฝันนะฮะบางทีก็เรียกก็แล้วแต่ก็พยายามบรรเทาก็แล้วกันแต่ก็ลือระลึกถึงแม่วัดก็ดีเนี่ยเขาไม่ได้เสียหายอะไรนะก็ก็กจิตใจมันก็เป็นกุศลอยู่ครับ ก็ดีกว่าไปเรียกอย่างอื่นครับอย่างเรียกบอลอย่เนี้เลิกเลิกเรียกหน่อยอะไรกันบอลเราข่าวว่ามีปัญหาเรื่องการทันันบอลเยอะเลยเกิดเด็กเด็กเรียนจะจบวิศวะจะมังจะจบไปปล้นเขาอแท้บอลสองหมืนบาทนั่นเองทำลายอนาคตโอ้เด็กมันคิดสั้นนะเกิดโอ้ยทำเสร็จทำไงนะลูกหลานเรา ปญัญญามันแยกปัญหาปัญหาปัญหามากฮะ <len. S 2> กระทรวงภาษาธิการเองต้องทบทวนนะว่าที่เธอจะการภาษานี่ล้มเหลวอ่ะครับเธอจะว่าอย่งไรกันไม่รู้ก็ถือว่าล้มเหลวครับเพราะว่าปัญหายากรรมมันเพิ่มขึ้นในหมู่เยาวชนหมดเลยทุกข้อค <Okay. S 2> รับนะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเพศปัญหาเรื่องยาเสพติดมาแรง s right. <S แรงจนน่ากลัวและปัญหาเรื่องเนี้บบอลในการพนันการนันโวยเบอร์เห็นไหยฮะคราวคราวที่แล้วมีพระเพื่ออะไรก็มาเล่นด้วย เอามาไปดังแล้วก็มันก็ไม่เชื่อคนอย่างนั้นมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะนะคนไทยเนี่ยคนนอนในโรงศพนิดเดียวไปเชื่อแล้วแต่ว่าเวรกรรมแล้วก็เจ้าคณะไปสังคติการของควรจะดูแลมั้งไม่ควรทั้งสุพีม์มาพลาดนั้งสุพิมพ์นี่ยอย่าไปเชียร์มานังสุพิม์ก็มีส่วนนะสื่อของเราในมีส่วนไปเชื่อพระเหล่านี้แล้วก็แล้วก็ เพื่อได้อะไรคือคือไม่เข้าใจอะ่ะว่าความคิดของคนอันนี้มันน่าจะอยู่ชี้นําความคิดสังคมน้อยทําไมมันไหลไปตามกระแสสังคมครับอาจาผยขอบคุณท่านผู้น่าใจครับกับผมเออพู ด, พ, ดพูดถึงเรื่งแม่นะครับนิดนึ่งนะครับพอดีแฟนรายการหลายท่านนะครับก็ฝา ก, กขอบคุณท่านพลเอกเสรีผู้กมาัมานะครับที่ ส่งเทปชุดกรสิบสนะครับซึ่งเป็นเทปคัศเศสสองม้วนเต็มๆเลยนะครับบรรยายทำโดยท่านชินิบุตรโทนะครับแล้วก็เทป2องม้วนนี้นะครับเป็นเทปที่ทาแจกในงานพระราชพิีพิ่งศพของคุณแม่ของท่านพลเ็กเสลีนะครับซึ่งท่านก็ได้นมาบันทึกเสียงใหม่นะครับก็ลงในเทปคัศเศสสองม้วนแจกให้แฟนรายการตอนนี้แจกให้ประมาณร้อ0กป่าชุดเลยนะครับก็แฟนรายการที่ยังไม่ได้ก็นานรอสักนิดนะครับตอนนี้ทยอยส่งนะครับก็จดหมายมามากเลยนะครับก็ขอบคุณแทนท่าน พลเกเสรีและท่านอธิการบดีท่านลรตเตอรพรผู้ช่วยผอบุคกมาห์มาเนะครับที่เสนับสนุนนะให้แฟร์รายการได้รับฟังธรรมะดีๆนะครับขอสายต่อไปนะครับสายที่สามครับสวัสดีครับแฟรรายการครับสวัสดีครับครับผมรมตการอาจารย์ท่านอาจารย์ครับชะต้องถามว่าท่านท่านท่านท่านมีความคิดมีความ พูดการคิดการทำยังไงคือดระไยงานของท่านท่านทำอยู่ครับในนี้ผมบางทีผมเองผมก็ยังงงกับที่ผมทำอะไรอยู่เนี่ยครั บ, รบไม่รู้ว่าจะครับายหมายหมายหมา ย, มายว่าเออ ตอนที่ปฏิบัติงานอยู่ทางานอยู่จะต้องรู้สึกนึกคิดยังไงใช่ไหมครับพูดถึงได้กำนานดยกันะคอ๋อครับผมครับต้องต้องใจกิติภูมิด้วยนะครับอ๋อครบขอบคุณมากครับขอขอขอขอสัอ้อมถามนะครับครับผมเอ่ออันนี้ยักษ์ยักษ์ยักษ์สมัยสมัก่อนมันมันอันตรธาอะไรยัง ไ, ไงมันมะมันตาไมได้ยังไงแล้วมันต้อง มันก็ต้องขี้ด้วยแล้วขี้ยักษ์จะอัศวานหาด้วยนะครับมันก็มันก็จับคนกินเลยครับต่อครับผมต่อข้อที่สามเลยนะครับข้อที่สมเทวดามีรูทวันหนักไหมครับต่อครับผมครับผมมาตรการครับขอบคุณมากครับคือคือยักษ์เนี่ยมันเป็นอมนุษย์ชนิดหนึ่งนะฮะเป็นอมนุษย์ชนิดหนึ่งแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆกับเป็น ค่อนไปทางอาิตสมานใกายอธิสมาน ก, ก, กายรักจะไม่ค่อยปรากฏแก่คนทั่วไปเพราะรายละเอียดในเรื่องเหล่านี้ที่จริงเราก็ไม่เคยพบแล้วก็ไม่เคยสนใจศึกษาด้วยนะครับถ้าในกรณีที่แกกินอาหารก็แสดงว่าต้องมีระบบขับถ่ายแต่ว่า มีหลักฐานอะไรไปไปไปศึกษาในเรื่องเหล่านี้ครับท่านครับแต่ทีนี้ถ้าเรามองพวกอสุรกายอะไรแต่ใดต่างๆในสถานที่ที่พอรู้ว่ามีอสุรกายเนี่ยมันก็ไม่เห็นอะไรในลักษณะนั้นครับเรื่องเทวดาครับท่านครับเทวดานี่ก็เออยังไงไม่ทราบนะฮะคือคือคือนั้นมันเป็นส่วนขขนเพราะท่านก็มีแขนห้าครับท่านครับแต่ว่าอาหารท่านเป็นชิปเนี่ยครับท่านครับมันมันก็ไม่ได้มีระบบขับถายอะไรครับไม่มีระบบขับถ่ายอะไร ครับะะแล้วก็ต่อไปแฟนรายการหลายท่านก็อยากจะทราบนะท่านครับ ท, าท่านพุทธเจ้านี่ศึกษาธรรมะนี่แล้วก็ต่อปัญหาธรรมะได้แม่นมากเลยครับท่านก็จาก็ยึดถื อ, อมันไปติดตลอดอนันตลอดกมานี่มันมันนมาถือว่าเป็นเด็กรับใช้พระ ร, ราชนาฏไปครับแล้วก็ไม่เคยคิดบางอาจจะใหญ่โตอะไรนะฮะเราถือว่าเราเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นทาสรับใช้พระพุทธเจ้ากระธรรมพระสงค์แต่นั่นเองครับในการเผยแผ่ของเราก็คือราชทูตอ่านราชสาร พูะเจ้าว่าอย่างไงเราว่าอย่า ง, งนะั้นครับเราเราเราสนองงานพระพระ ร, รัตนตรัยเพราะงั้นจริงจงจริ ง, จ, รงจับหลัก ค, คือคือมันไม่ใช่ไม่ใช่ชำนาญน่ะแต่มาติดไม่ได้ฮะติดธรรมะดึกดื่นเชงคืนต้องลุกขึ้นดูเลยไม่ยอมให้ติดคิด <c oughs> <c oughs> คิดิดพอติดปั๊บลุกขึ้นปุ๊บเลย อย่าตั้งใจไหนมาก็รานั้นแต่ความจําเนี่ยค่อนข้างแม่นแต่เรื่องเงินไม่เคยแม่นนะฮะหน้าคนเนี่ยมาจําไม่เคยแม่นแต่ธรรมะนี่แม่นสมัยหนึ่งที่ความจํามันหายไปหมดธรรมะเหลืออันจำมันหายไปประมาณสองสามเดือนแต่ธรรมะเหลือก็อออยังก็ยังดีอ่าเออเราแม่ถ้าถ้าธรรมะหายไปด้วยเราเสียเรื่องแต่ต๋ยวทวันก็กลับมาก็กลับมาดีะแล้วก็เรื่องเงินเนี่มาก็ยังไม่เคยแม่นเนี่ยคือคืออะไรล่ะ คือมันหลักของพระวินัยเนี่ยเขาบอกว่าไม่ถือเอาซึ่งชื่อเราช่วยเหลือใครยังไงเนี่ยเราไม่เคยถามชื่อครับเพราะงั้นก็ทำให้เสียอย่างที่เขียนบอกจดหมายคนอกเสรีมาบอกมาไม่เคยรู้จักใครนาครับผมจริงๆแม้แต่โยมนี่มาฟังเทศมาอยู่30กว่าปีถามชื่ออะไรามาไม่รู้เลย เพราะไม่เคยถามชื่อคนพระอาจารย์อาจารย์ด้านสอนเอาไว้ว่าอย่าถือเอาซึ่งชื่อหมายความว่าไม่ย่าไปยุ่งก่เขาชื่ออะไรแล้วมาขึ้นทะเบียนเอาไว้วันหลังจะไปส่งรีกาแล้วเราเราไม่มีความคิดเลยครับครับนะเพราะงั้นทำให้เรารู้จักคนจริงๆเราจักน้อบ จากน้อยมากท่านผู้ชม ค, ครับแฟนรายการถามวันนี้จรงว่าคือจากการอบรมเลี้ยงดูได้ไหมครับโยมพ่อโยมแม่เออที่จริงเอามาเป็นลูกกำพรา้าลูกกำพร้าครับท่ เ, ออเป็นลูกกาพรา้าแต่ว่าอาจจะเติบโตมาจากในแวดบุงของของวัดคือความโน้มเอียงใ น, นาศาสนานันมีมาตัง้งแต่เด็กแล้วชอบฟังพระสวดชอบฟังพระเทศชอบฟังพระสอนาราคือนั่งคุยกันก็ไปแอบสางนั่งฟังกันเ อ, อ่อดึกดืน่นเช่าคืนก็นัง่งอย่างนั้นนะแล้วก็จํานิทานแล้วก็ ตอนอ่านหนังสือยังไม่ได้เข้าเรียนเนี่ยเพราะว่าเป็นลูกกาพร้ามันไม่มีไม่ไม่มีใครดูแลนะฮะเราอ่านหนังสือออกมาตั้งแต่ยังไม่เข้าเรียนอ่ะเพราะว่าหนังสือในตู้ของพระเราอ่านหมดบนตู้ๆก็อ่านไปเรื่อยอ่านไม่รื่อยเพราะงั้นมันก็จะมีมีข้อมูลอะไรอยู่เยอะครับท่านครับขอบคุณท่านบริจาคสายที่สี่ครับสวัสดีครับรายการครับคุนะสกายครับท่านครับ จับเปลียนถามพเดชพระคขอข้อเกี่ยวกับจังกรรมข้อที่หนึ่งการตวโดวยปกิจควรขันหน้าไปทางาพระประธานหรือาทางมูลโสคืออาตมาถึงเข้ามาในครมมใหม่อย่าเจอะจับเปียนถามและข้อที่สองวิธีกรรมคือโบรณกรรมหลังจากสวโดวยปกิโรณกรรมทั้งสามขอ้อและควรตา่างละโมวตวโบากรรมหรือไม่ ไม่ขอเจริญพรขมโฆษณาขอบใจครับท่านท่านฟังอยู่ที่ไหนก็ตั้ง่านขาขพอดีสายตัดไปนะครับสุ่ดคือคือต้องหันหน้าขึ้นเราสวดกระสงนะฮะเราสวดกระสงเราสวดกระสง์เราไม่ได้สวดกไม่สวดพระพุทธเจ้าเราสวดกระสงเราประกาศกระสง์ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องในในในตรงนั้นที่จริงเราพูดกับพระนะฮะถอดเราพูดกับพระม่ันก็ตามปกติเราจะหันมือขวาเนี่ยให้พระพุทธรูปครับครับ มือขวาข้ามหวพุทรูปเพราะงั้นก็แล้วแต่แล้วแต่ลักษณะของอาคารฮะหรดยสรุปมือขวาอยู่ทางด้านพุตธรูปก็แล้วกันอทีนี้ปานากรรมพอถึงจะตั้งยัตติเนี่ยเราต้องขึ้นนโมฮะต้องขึ้นนโมหลังจะตั้งยัตติใช่ใช่ก็หลังจากนำมาก่อนแล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้นเอ่อเพราไม่ใช่นโมไม่ต้องขึ้นฮะปานากรรมไม่ต้องขึ้นขึ้นขึ้นกสุนาตุมีเลยโอ้ขึ้นก็ ครับผมขอบคุณท่านผู้จัดการครับสายที่ห้ามาลอยอยู่ครับสวัสดีครับฟายการครับเอามนามสกุลพระเจ้าคุณหลวงพ่อแล้วก็สวัสดีท่านท่านผู้จัดรายการครับสวัสดีครับเออในจะถามว่าคําว่าอบัตทุกข์กฏไหม่ะคือหมายถึงอย่างไรแล้วพระจะทำอย่างไรเมื่ออับัตทุกข์กฏนะคะครับท่านครับข้อที่สองครับผมเออพรที่นอนอนในโรงให้หวยให้มหาเทระสมาคมจะมี เออไม่มีอะไรบ้างที่จจะอย่างจะรู้เพราะว่าผิดหรือไม่ผิดทำอย่างไรขอบคุณจากนักมาตรการัขอบคุณมากครับ อ, อ, อบาบัตุกกฎทุกกเ น, นี่ยแปลว่าทําไม่ดีโยมคือคือมันอําบัตทุกกฎเดียมันเยอะอาเป็นพันๆเลย นะหมายความมาเช่นว่าพระห่มจีวรไม่เรียบร้อยก็ปราบประบาททุกข์หรือแม้แต่มองผู้หญิงหรือจิตกําหนัดดนปราบประบาทเพราะฉะนันทำให้พระมีลักษณะอย่างหนึ่งคือไม่ไม่รู้จักคุ้นหน้าคนฮะเพราะว่ามองผ่านที่จริงไม่ได้มองตรงหน้าเขาหรอกก็มองผ่านไปเลยอมองผ่านปั๊บล้วก็มองผ่านไปเพราะฉะั้นเราจริงจําหน้าคนม่ค่อได้อต่นี้ก็ลักษณะอย่างหนึ่งครัใช่ครั บ, รบเช่วเวราจะบรรยายคนมานั่งขา้างหน้าเรามองผ่านศีรษะเข้าไป แล้วก็ทําให้เราจำจำหนักเขานเพราะว่ากลัวจะไปเกิดอบัตถ้าเป็เพ่งมองหรือจิตกําหนัดได้ปราบอาบัติแล้วพราเนี่ยไม่ใช่แลมองด้วยความมาคาดหน้าร้ายนี่ปราบอบัติแล้วครับท่านครับหรืออบัตทุกโกรธคือทําไม่ดีจะเรียกวแปลว่าทําไม่ดีอบัตมันเยอะมากเป็นปันพันเลยข้อนี้ครับแล้วอะไรข้อที่สองผ้าใบห่วยอ๋อใบห่วยเนี่ยคือที่จริงมันปราบอบัติแค่ทุกโกรธนะมาแต่ว่าถ้าเรื่องอ่าไม่จริง ก็คือหลอกลวงเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นมุสาวาทเป็นปราจิตีครับทีนี้ถ้าเธอตั้งใจจะหลอกลวงก็แสดงว่าเรื่องใหญ่แล้วทีเนี้ยคมันผิดกฎหมายนะ ค, คือคือคือวันก็อยู่ที่ว่าเราต้องนึกว่าถ้าเธอรู้ถ้าเธอรู้เนี่ยอย่าลืมว่าคนที่รู้นี่มันต้องได้ยาครับทีนี้คนที่มียานเนี่ยมันใจจะสงบจากโลภะเธอจะไม่ ไปบอกคนเพราะว่าไปเบียดเบียนเจ้ามือหวยเห็นนะเราบอกหวยเนี่ยมันคล้ายๆกับดีสมัครคนเล่นหวยแต่คือเบียดเบียนเจ้ามือหวย <c oughs> ในขณะเดียวกันก็มอมเมาคนซึ่งเล่นหวยเนี่ยให้งมงายอยู่กับการเสี่ยงโชคชะตา <c oughs> ไม่ได้สู้ปัญหาชิตวิสานาพทธเป็นศาสนาวิริยะวาชีคือทุกอย่างนีอ ต, ต้องใช้ความพยายามและเป็นกรรมวาชีคือกล่าวถึงการการะทา วัานพระรูปเนี้ยที่จริงควรจะเรียกมาอบรมแล้วก็ต้องสั่งคืออยากถึงกะไล่ึกเราเพื่อมาให้มันเกิดสมนึกใหม่รับอยวนี้นี่อย่าลืมว่าอามาว่าชาบ้านเนี่ยใ่หอบล้อมเนี่ยมีรอปภรักษาสี่ห้าสิน่นาทนีย์เห็นไหมครับเพราะพวกนี้อย่าลืมว่าการที่มีพระใบห้หวยนี่คนแห่เข้าไปเนี่ยขายของได้สารพัด <c oughs> อย่าลืมเป็นธุรกิจของชาวบ้านครับ <c oughs> ในขณะที่พระได้อะไรต่ออะไรต่างๆแกไม่รู้ปีนี้ถ้าแกรู้จริงเนี่ยต้องนึกว่าคนเราต้องส่งข้อยาดครับ <c oughs> อ, อรู้ระดับธรรมดาไม่ต้องอย่างก็ต้องส่งข้อญาิทำไมเธอไม่บอกญาติอออ่ะเห็นไหมคือคือมันก็จับเท็จได้ครับ <c oughs> จะเทสได้ทั้งนั้นนะ พวกพวกเราเหล่านี้มันมันอมา่ามันเป็นวิธีวิธีสร้างขึ้นครับวิธีสร้างขึ้นของกลุ่มคนอย่าลืมนะอาจารย์ไปเถอะผลประโยชน์มันเยอะขายของน้ําแข็งรุ่นอะไรแต่ต่างๆน้ำแป๊บซี่แป๊บซึมขายได้หมดอะครับงานอย่างเงี้ยเป็นปนิติการนะโอกลุ่มธุรกิจหาผลประโยชน์ร่วมกันครออก่อนเรียกว่าผลลัท้ายก็จับมือใครดมไม่ใคยได้เราผิดด้วยกันมันเป็นแถวมาหนังสือพิมพ์ก็ผิดครับ นำเสนอเรื่องไร้สาระขอบคุณเ้ิญคุใจัครับสายที่หกของเราอยู่ครับสวัสดีครับรายการครับฮัลโหลครับสวัสดีครับขอข้ามถามเลยนะครับเช่ญเลยครับอยากทราบว่าการเจริญสติปัฏฐานสี่นั้นนะครับถ้าทําที่สุดแล้วเนี่ยจะได้อรหันตผลหรือยังต่าเป็นภาวนาคารมีบุคคลธรรมะอีไม่ผ่านอ่พระโสดาบันหรือพระสกิร ผาคาเมียครับต่อทำไมถึไม่ผ่านโซดาบันใช่ไหมครับท่านครับครับคือพยากรได้ว่ามีผลอยู่สองอย่างครับอย่างใดอย่างหนึ่งคืออย่างต่สุดคือเป็นพระนาคารีบุคคลครับอย่างสูงสุดเนี่ยเป็นพระทหารครับไม่ผ่านสองพระยะบุคคลขั้นแรกครับครัครับข้อที่สองครับผมเอามีมีมีข้อเดียวนะครับ ครขอบคุณมากครับคือคือในพระบาลีเขาก็บอกนะฮะมันก็อยู่ที่สภาพจิตแต่มันมันก็ดานบอกเป็นเป็นระยะเป็นปีนะฮะเป็นเป็นเป็นปีบรรลุมรรคผลเป็นเป็นตอนตอนไปก็มันขึ้นไปตามลำดับทางนั้นแหละพูดไม่พูดมันก็เหมือนกับคือมันมัดผนึ่งมันเดินตามลำดับครับเอ่อคนก็ขึ้นไปอยู่บนเรือนก็หมายความมาเหยียบบันไดไปทุกวันได่นแหละใช่ไหมแต่ว่าเขาพูดตอนใดตอนหนึ่งแต่ที่จริงในพระสูตรเขาบอกเนะ เราก็ไปรู้มั่งผลไปตามลําดับนั่นแหละก็แล้วแต่ว่าท่านบา ร, รมีทั้นขนาดไหนทุกอย่างเนี่ยมันเดินไปตามจังหวะเขาเพียงแต่ว่าขณะมันเร็วขณะเร็วที่ที่อวันก่อนได้ฟังเรื่องในกาปรมาณูเขามาเลยดีใจว่าเออมันตรงอัพิธ ร, รมรนนในกาปรมาณูที่คุณปัญญาเขาม า, า, าโอกาอเขาบอกว่าหนึ่งวินาทีเนี่ยมันขณะมันผ่านไปประมาณจากสี่แสนขณะ แล้วในการเหล่านี้จะเวลาจะเคลื่อนไปหนึ่งวินาทีนี่ต้องใช้เวลาเท่าไรสี่ร้อยปีถึงจะถิงจะเคลื่อนไปหนึ่งวินาทีโอ้โหในการปรมาณูนี่มันยอดมากคือเราเห็นว่าคืนอยู่ในพิธรมนะขณะนี้มันอยู่ในพิธามขณะมันเร็วอะเรานับไม่ได้หรอกเราพูดได้แต่เรานับไม่ได้หรอกสติเราไม่ไม่พอไปนับขณะได้ขนาดนั้นครับแต่ว่ามันตรงอะตรงกับวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าระดับปรมาณูครับ เพราะงั้นเอ่อการบรรลุนี่ท่านมันมั น, ม, นมันผ่านทุกขณะทั้งทั้งหมดนั่นแหละผ่านาทั้งศีลสมาธิปัญญาผ่านมรรคทุกมรรคนะฮะแต่มันเร็วมากอะมันไม่รู้จะว่าอย่างไงแค่กระับไฟร้อนปุ๊บอะถ้านับขณะมันไม่รู้สักกี่แสนขณะครับคือคือจะลืมเขาพูดเป็นขนัดนะท่าน อยาแต่อย่าไปติดใจในภาษาคือการบรรลุมันเป็นรูเป็นขนาดแต่เป็นขนาดมันเร็วมากคเลยขนาดมันเร็วมากครับนสุก็คุณก็จะครจ่ายครับสายที่เจ็ดมารออยู่ครับสวัสดีครับไฟนรายการครับครับพอดีสายหลุดไปนะครับช่วยต่อเข้าใหม่นะครับ022413315 022413315ครับสายที่เจ็ดมาแล้วนะครับสวัสดีครับไฟนรายการครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับไฟรายการครับ ครับผมคนที่สายเข้ามานะครับสายอาจจะไม่ดีชนิดหนึงช่วงนี้ฝนตกนะครับโทรเข้าใหม่นะครับ022413315นะครับการที่รอรับสายนะครับขอญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับแฟนรายการที่ต้องการเทปธรรมะนะครับหรือซีดีธรรมะนะครับเขียนจดหมายมาได้ที่รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบปรชุม 61ประนโยทินจะตุจักอกรุงเทพ10900นะครับหรือโทรสอบถามได้ที่025791111ต่อ2217นะครับจะส่งธรรมะบรรณาการเป็นเทพธรรมะและสิรธรรมะไปให้แฟนรายการนะครับจากท่านพนเอกเสรีผู้กำการและท่านด ร, ร, ร, รินพรธ์พุกยพรผู้กมารอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับสายที่7มาแล้วนะครับสวัสดีครับแฟนรายการครับสวัสดีครับ คก็ถามว่าเป็นเจ้าว่าชนชาติของกับคนชนชาติทเหนือนี่ใช่ชนเผ่าเดียวกันไหครับกับผมมีข้อเดียวนะครับครับข้อเดียวเลยขอบคุณมากครับเราเรดีใครับได้ครับเชิญเลยครับคือคือจากหลักฐานทางโบราณคดีเนี่ยมันพูดไปในทันมองว่าข้าวหอมนี่เป็นอีกพวกหนึ่งครับ แล้วก็ถูกพวกจามทําลายไปแล้วส่วนเขมรนั้นเป็นชนอีกเผ่าหนึ่งนะฮะทีนี้เราก็คงไปว่าเขาอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะว่าอักษรอะไรต่อะไรกันต่างๆเขาก็ถ่ายทอดกันมาครับก็เขาเขาว่ า, ข า, ขาเขาอย่างเขาเชื่อเขายังไงยอมรับเขาอย่างนั้นดีกว่าัเพราะเราจะไปวิเคราะห์คือมันเรื่อ ง, ม, องมันเรื่องอดีตอะครับโอ้ก็จรงิงเราก็พิสูจน์เป็ได้ครับผมก็ มีปัญหาว่าชนชาติของกับเ อ, ะอะนะฮะกับคเมรนี่ชนชาติเดียวกันหรือเปล่าท่านที่ควรจะบอกแล้วนะครับว่ายังไงจนเรื่องอดีตนะครับซึ่งการพิสูจน์การอะไรพวกนี้ก็คือเราไปพูดวินิจฉัยเขาเนี่ยมันไม่ดีใช่ครับท่านครับมันเป็นขั้นระด <laughs> ับระหว่างประเทศ <laughs> ครับผมครับก็ศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสามหนึ่งห้านะครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสาสห้ากำลังรอรถทุกสายเพื่อสอบถามปัญหาธรรมะเข้ามานะครับสายที่แปเข้ามาแล้นะครับสวัสดีครับแฟนรายการครับ สวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับสวัสดีครับเป็นไงครับสายไม่ค่อยดีเลยนะครับครับโทรเข้ามาใหม่นะครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสมหนึ่งห้านะครับเรารับสายผู้สอบถามปัญหาธรรมะเข้ามาได้นะครับท่านทุกทใากคาแฟในการหลายท่านชื่นชอบมากเลยครับที่ประเด็๋ยวคุณพูดถึงสารยันสาร สารนี่จนะทำเจ็ดครับต้นคำสารายิ่งทำหกคือคือคือพระพันธสร็ธิ์พีจหัวรับสั่งวันนั้นเยี่ยมมากๆากต้นคมายยงไงนีกโอ้โหท่านท่านแปลสวยเลยนะครับคิดทำพูดด้วยเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อบุคคลอื่น เขาไม่ตาการะกำมังวิจีกำมังโนกำมังมาไว้ได้วยกันแล้วก็แม้แต่การเฉลี่ยราบเนี่ยจะจะส่งอธิบายกรอบผู้ใหญ่ไปข้าไปที่จากฆ่าด้วยฆ่าไปที่บริจาคด้วยครับแล้วก็พอมีศีลเสมอกันคือกฎเกณฑ์ระเบียบินัยกติกาต่างๆเนี่ยส่งขยายไปโดยขับเม่อศีลศีลสามัญญาตาเนี่ยพอทิฏฐิก็เหมือนกันนะฮะเราจะเห็นว่าจะทรงขยายแล้วก็ถูกตรงตามหลักของพระบาลีก็ถือว่าส่ทงทรงเข้าถึงธรรมะลึกซึ้งมาก ก็วันนี Tah, linking, way, ้ไปอบรมพระมาลองถามพระว่านึกออกไห้ว่าในหลวงรับสั่งในธรรมะอะไรปรากฏได้ยินเสียงตอบมาองค์หนึ่งก็งงงงกันอยู่กระรุ่งกระวืนเพราะว่าพระก็เข้ามาหุกข้อ ครับแต่ว่าในหลวงท่านถรุเป็นเป็นสี่เพราะว่าเอาเมตตาการกรรมมังบิจกรรมมังโนกรรมมังวัดในข้อเดียวกันครับผมเพราะว่าจริงๆเราต้องคิดก่อนนะคิดเมตาก่อนคุณจึงพูดเมตตา ค, คิดเมตาก่อน ค, คุณจึงจะทำโดยเมตตาเพราะถ้าจิตคุณไม่คิดเมตตาคุณอาจเจ้าเล่ ม, มายาเสแสแซงโอ้อวดแข่งดีหลอกลวงก็ได้ครับผมดังเหตุนะฮะมโนมันจะต้องสุจริตมาก่อนครับเพราะกายมไม่แน่ ปากประสัยใจเชือดคอมือถือสากปากถือศีลซ่อนดาบในรอยยิ้มอะไรก็ได้มันมันเยอะเพราะงั้นทรงเข้าประไทยลึกซึ้งนะครับอืมมันเป็นการสะท้อนจากจิตถ้าจิตเมีปัญหาแล้วกิยาการเธอก็อาจจะมีปัญหาครับขอบคุณเจาคุณจ่าใหครับสายที่แปดครับสวัสดีครับครับต้อทีนะครับให้รอน่อครับผมเชเลยครับ เราขอถามอ่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรคะในการสวดมนต์ภาวนานะคะครับผมเพถูกต้องแล้วก็การแผ่เมตตาการอุทิศส่วนกุศลนนะคะครับผมค่ต้องการจะให้ทําอย่างถูกต้องนะครับครับผมขอบคุณมากนะครับ ครับสวัสดีครับคือคือที่จริงรูปแบบไม่มีหรอกแต่ถ้าต้องการรูปแบบก็คืออาบน้ํามักท่ายสะอาดเรียบร้อยรับประทานอาหารอะไรให้เสร็จแล้วอย่าให้มีกังวลเรื่องอื่นนะหมายความว่าเราสวดมนุ์เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะสวดก่อนนอนกับสวดหลังจากตื่นนอนหลังจากตื่นนอนก็ควรอาบน้ําท่ายก่อนแล้วก็มาสวดหรือจะสวดก่อนก็ได้ก็ไม่ได้ว่าการเดีสรุปว่าอย่าให้มีเรื่องกังวลอย่างอื่นอยู่ ก็แต่งเนื่อแต่งตัวเรียบร้อยหน่อยนะก็ถือว่านั่งแค่แค่ก็นั่งต่อหน้าพระแล้วก็แผ่เมตตาก็ทําความดีแล้วเราก็แผ่เมตตาได้ครับให้จิตเราสงบไปมันเกิดพลังครับแครับก็คุณครับผมสายต่อไปสายที่เก้ามาหล่ออยู่ครับสวัสดีครับรายกันครับสวัสดีท่านผู้จัดรายการอาดอยากกลับเรียนถามหลวงพ่อท่านเจ้าคุณว่าให้อธิบายเรื่องขันหนึ่งกับขันสี่ให้ฟังหน่อย ได้ครับแล้วฟังทางวิทยุนะครับการกัลสการณ์ครับครับตัวนี้มันมันเป็นผลของชาญนะฮะคือขันหนึ่งเนี่ยเป็นอาศัญยีสัตว์เออเป็นผลมาจากยตุตาชานหรือปัญจมาชาณนะฮะก็แล้วแต่แต่ก็หมายความว่าท่านท่านนายในเนี่ยท่านท่านท่านก็เรียกเป็นพรหมลูก ฟ, ฟักอ่ะอาัญญีสัตว์ <ừ> คือสัตว์ที่ยังเหลือแต่รูป ท่านบอกก็เหมือนกับพรหมลูกฟักแล้วก็ลูกฟักก็เนียก็มีคันเดียวคือรูปขันท์ทีนี้ขันสี่นี่ก็คือพวกอรูปประพรมมีเวทนาสัญญาถังขานวิญญาณแต่ไม่มีรูปครับก็เป็นผลจากอรูปประชาบก็ท่านอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้เพราะเป็นนามแต่ว่าก็สรุปว่าอยู่ในอรูปประพรมท่านบอกว่าอยู่ในอรูปประพรมแลรูปประพรมอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อีกเหมือนกันนะ อ็มันมันเป็นมันไกลแสนไกลนะฮะแต่อย่าลืมมาทั้งหมดท่านไปได้จิตพระเตี้ยฮะจิตมันไม่ถูกขั้นเดชะละเรานึกไปถึงดวงประทิดก็ น, นึกถึงปลายจมูกใช้เวลาเท่ากันแบบดี <c oughs> ใช่ใช่ครับขอบคุณท่านคนใจกับสายที่สิมาเราอยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปรายการครับครับปัญหาหน่อยครับครับเชิญเลยครับครับอย่างหลวงพ่อเล็ดที่อยู่ตะวันและกรรนตะวันนั่นนะครับครับอย่างที่ท่านให้หวยครับ คิดว it ่าห้าห uh ้าแปดแล้ว huh. ม well, so anyway? so uh ันไม่ออกนะครับแต่แล้วท่านจะปิดปิดสินถึงขาดขาดจากข้ามแน่ครับเพราะประชาชนก็เล่นกันก็เสียเงินเสียทองไปเยอะนะนะแล้วเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์จะจะทํำยังไงบ้างครับครับขอถามข้อเดียวครับขอบคุณมากครับครับครับผ คือคือผิดอย่างสูงนี่คือหลอกลวงถ้าหลอกลวงแล้วก็คือกฎหมายเลยนะเป็นเรื่องกฎหมายจัดการแต่ถ้าเป็นพระเนี่ยมันก็แค่มุสาวะเพราะไม่ใช่อวดอุตฤติมนุสธรรมอะไรแต่ถ้าว่าท่านอ้างว่าท่านรู้อนะ่ท่านรู้หวยก็แสดงว่าอวดแล้ทีนี้มันจะประราชิกลตรงนี้คือมันต้องดูต้องดูข้อความนะฮะต้องดูข้อความ แต่มาว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะเพราะว่ามายังมองเป็นกระบวนการตั้งนะครับอมองเป็นกระบวนการตั้งของกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายที่หากินด้วยกันเนะดี๋ยวจะโทรคุยกับรองจังหวัดกระดูกร อ, องจังหวัดคุณ้นี่ยเกันจะลองโทรโทรถามกระดูว่ามัน ม, มีเรื่องอะไรเป็นยังไงแต่ว่าไงมันอ่านฝากครับก็อยู่ตาครีนะแต่ว่าจ้างนัดจังหวัดเขาอยู่ในอำเภอเมืองครับผมอ่านกครับขอบคุณครับผมสายที่สิบเอ็ดครับ สวัสดีครับฝ่ายกันครับสวัสดีค่ะครับผมสมาชกันท่านด้วยถ่ายเขียนสบถามได้หเลยครับสอบถามว่าน้องสาวอะค่ะเขาไปเข้ารีบเป็นเป็นชีวิะค่ะครับผมทีนี้จะทํายังไงที่จะให้คุณแม่เขาที่เสียชีวิตไปแล้วได้ได้รับส่วนบุญส่วนบุญส่วนบ้าอ๋อหมายถึงว่าไปเข้ารีบตอนนี้เป็นชีวิเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นนานแล้วครับผมครับขอบคุณมากนะครับขอบพระคุณและท่านการครับสวัสดีครับ คือประเด็นสําคัญเนี่ยให้เขาทาดีก่อนลวกันนะฮะให้เป็นคิตชนที่ดีพุทธศาสนิกชนที่ดีแต่การความดีเหล่าเนี้เราตั้งใจอุทิศกุศลให้ได้ทั้งนั้นตามพิธีความเชื่อในศาสนาเหล่านั้นถ้าเธอจะทํำยังไงก็ตามมุ่งที่จะให้แม่ชื่นชมมนุโมทนาท่านรับทราบท่านอนุโมทนาก็ได้บุญด้วยกันนั่นแหละอแต่ปัญหาว่าถ้า แม่เป็นเทพองค์ใดองคหนึ่งอยู่ท่านอาจจะเกิดไปพอใจก็แม่นมูทนาก็ต่างคนต่างอยู่ก็ก็ไม่ได้หวาอะไรครับฮะปล่อยก็ไปเถอะเขาสมัครใจจะไปก็ไปเถอะแต่เขามีแฟรการถามมาท่านหนึ่งนะครับบอกว่าอยากจะเกิดทุกชาติทุกชาติไปเนี่ยภายใต้บวรพุทธศาสนาเนี่ยต้องอธิษฐานกินยังไงครับก็ก็มุ่งมั่นอยู่ในพระรัตนไฟนะครับ ใจเรายังอยู่กับพระรัตนตรัยนะก่อนภาวนาพุโทโธไว้บ่ผมก็อยู่เรื่องก็อยู่คือคือคือค อ, ค อ, อย่าลืมว่าใจของมนุษย์ที่มันเกิดซ้ำซากเนะี่ยเพราะใจมันผูกพันครับผูกพันนี่ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็เกิดอย่างนั้นนหละครับืออย่างนั้นเพราะงั้นบางคนที่พระเจ้าเคยเล่าถึงพระเจ้าอะไรอาลาหะอาสาราหะเกิดซ้ำกันเนี่ยชื่อซ้ำเกิดซ้ำเนี่ยมันมันเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนชาติครับ ชื่อเดียวให้ชื่อเดียวแล้วก็เป็นวันณะวันน้าเดียวครับเพราะงั้นก็อยู่ที่ที่ที่จิตเรามุ่งต่อพระ ร, ร<ช>ัตนักใจชาวผู้ทธส่วนใหญ่ถ้าหนักแน่นในพระตระหนักใจมันก็เกิดมาพบพระพุทธศาสนาความน<ช>น้มเอียงทางใจเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญแต<ช>่<ช>บางทีเราก็เกิดเฉยๆดินแดนประเทศไทยแลบางคนก็ไปประทุษร้ายศาสนาไปตัดเสินรากคายเลอตะเล่ก็มีเยอะ มันอยู่ที่ใจเรากขอบคุณครับที่เรียนจากคับสายที่สิบสองครับสวัสดีครับเจ้ารายการครับครับขารเจ้ารายการหลวงพ่อครับสวัสดีครับท่านผู้จัดรายการครับสวัสดีครับฮัลโหลครับเสื่อสถานได้เลยครับอืเสื้อเสื้อสีเหลืองที่ประชาชนใสไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย่ครับผมทำไมเขาไม่ใช้คําว่าจงรัะปักดีฮะ ทําไมถึงใช้คําว่าเรารักในรลวงเพราะว่ามันเป็นคำที่ไม่เหมาะสมไม่ได้จะการรัฐศา์ครับความหมายว่าจงรักภักดีจะคือสรุปไว้ง่ายว่าอยาจะให้าจงรักภักดีนะจะเป็นขาพเจ้ามีความจงรักภักดีต่อได้ครับได้ครับขอบคุณมากนะครับครับผมสวัสดีครับครับผมก็อ มันมันเป็นความรู้สึกอย่าลืมถูกเป็นความต่อเนื่องเนะี่ยฮะคือคือในหลวงเนี่ยเวรนี้มันอยู่ในฐานะพ่อของแผ่นดินไปแล้ว <c oughs> นะความรู้สึกอะไรไม่ดีเท่ากับคำรักระหว่างพ่อกับลูกใช่คร <c oughs> ับอะประชาคอเนี่ย ก, ก็ลูกของแผ่นดินถ้่งั้นเราอย่าลืมมันตั้งแต่สมเด็จย่า <c oughs> นะสมเด็จย่าเขาก็มีความรู้สึกเขาเป็นหลานอะ่ะ <c oughs> แลในหลวงเขาก็รู้สึกเขาเป็นเขาเป็นลูกสมเด็จพระนางเจ้ า, เาก็รู้สึกเขาเป็นลูกเพราะงั้นเขาใช้รักเนะี่ยมันก็ถูกต้องแล้วมันเป็นความรู้สึกแนบแน่นจากประชาชนเนีน่นนะยก็คือเราอย่าลืมว่าเอ่อในหลวงเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ที่พิเศษอ <c oughs> ย่างกุญชายคือฤทบอกว่ากษัตริย์รองค์อื่นมันอท่านครองแผ่นดินแต่ในหลวงท่านครองใจครองใจโอ้โหครับท่านครองใจของประชาชนทั้งแผ่นดินเอาไว้เพราะนประชาชนยิ่งรู้สึกผูกพันเหมือนกับพ่อครับ เขาเรียกอย่างนั้นก็ถูกต้องนะฮะมันมันเป็นภาษาใจซึ่งซึ่งเราอธิบายไม่ได้ครับเอความพักดีมันสุดๆอะเต็มล้นเปลี่ยนเลยชีวิตอย่าลืมนะฮะว่าความรักขนาดนี้สละชีวิตได้นะใชครับที่แสดงเนี่ยมสละชีวิตได้นะครับมัอนความพักดีบางทีก็อาจจะใช้ฉาบช่วยไปได้ซ้ำไปแต่ความรักที่ด้วยชีวิตเลยไม่ได้ด้วยชีวิตเลยนะฮะเราจะเห็นว่าเออระหว่างเออ ดอกทานตะวันสีเหลืองเนี่ยดูบางคนมันมันมันปีติจนน้ำตาไหลพรากพลากผากทั้งผู้หญิงผู้ชายนะดูแล้วไม่ไม่ไม่เบื่อเลยแล้วเนี้ยตัวธาตุยังออกตามองเทยังไปออกอยู่เป็นภาพยิ่งใหญ่มากคือเราอยากเราอยากคิดโดยสถานการณ์ปกติมันเป็นสถานการณ์เขาเรียกวิสามันมันไม่เคยเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ เพราะงั้นภาษานี้มันไม่มีภาษาอื่นที่ที่ที่จะดีไปยิ่งกว่าแล้ ว, ลวเราจะเห็นว่าเขาในรู้ใการถูกตังก้งใช้คำว่ารากักราดจงจิตน้อมพักดีทนาทีนี้หมายความว่านี่คือความรักแล้วก็พักดีจนถึงศ ร, รัทธาถาเสียสระประโยชน์สุขสวนตัวเองมานั่งแกดินนึกว่าอั้นปัสสาวะอุจจาระไปสาวะยุริมแม่น้เจ้าบัญรับ กี่ชั่วโมงสิบกว่ชั่วโมงอยู่ที่ท้อสงสนามไอเนี้ย ท, ที่ที่ลานพรบรมรูปเนี่ยแกอยู่มาตั้ง แ, แต่นู้นอ่ะตั้งแต่กลางคืนน่ะใช่ครับเพื่อรอรพระโล่ครัะตอนไหนอ่ะตอนตอนตอ น, ตอนเสด็จนาะเกือบเที่ยงแล้วเห็นนะฮะก็ยุ่งก็ได้เนี่ยคือพลังของความรักสุดๆุดอะความพักดีสุดๆมันมันมันมั น, ม, นมันเป็นภาษาใจอะ่ะครับครับตอบไม่ได้ครับขอบคุณท่านที่ใจครับสายที่สิบสองครับสวัสดีคับแฟนรการครับ สวัสดีครับอ๋ออ๋อกรับสวัสดีหลงพ่อกลับสวัสดีท่านผู้จัดรายการ น, นะคะจากนักสการ์หลวงพอ่อประเทศบิลบค่ะอ่ะจะถามปัญหาสามข้อนะคะครับผมเถามได้เลยครับครับเชิญสอบถามได้เลยครับอ่าข้อที่หนึ่งนะคะการสร้างเจดีย์ได้ลาคนิสงอย่างไรคะครับผมอ่าข้อที่สองนะคะอ่า บรรณุสมบัตินะคะมรนณุสมบัติที่ร้านนี้นะคะสร้างเหตุยังไงคะแล้วก็ข้อที่สามนะคะนันติเกิดเป็นพรมเนี่ยไปได้ผิดทางค่ะสามข้อนะคะจำเจนวิทยุการสร้างรัฐบารหลักการสร้างเจดีย์อันนี้สงฆ์เจดีย์ก็คืออันนสงฆ์ของสร้างพระพุทธรูปสร้างอุเทศิกะไม่ใช่สร้างสร้างอุเทศิกะเจดีย์ทั้งหลายนะทุกรูปแบบ มันก็เป็นผลเป็นอนิสงฆ์มากนะฮะผลเป็นอนิสงฆ์พิเศษที่สื่อภพสืบชาติเพราะว่าเราจะเห็นว่ามันเป็นหลายๆเรื่องมันเป็นทั้งละทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมหะแล้วกว็ามาเป็นทั้งวัตถุฐานทั้งอภพยฐานทั้งธรรมทานมันมันมันเป็นเยอะครัในตรงนั้นแนหะเพราะฉั้นอนิสงฆ์มันก็แปลกพิเศษขึ้นกว่าเรื่องอื่นครับ <c oughs> แล้วก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยของมรรคผลนิพพานด้วยนะฮะรเรื่องเรื่องเรื่องเจดีเนี่ยอะไรอีกค่อยสอนเรื่องมนุษสมบัติอ๋อมนุษสมบัติที่จริงก็สินห้าก็ได้แล้วครสินห้าก็ได้ทําทํามไม่ได้ศินห้าท้ายดีแล้วกุศลก็บทสิบนะฮะแต่เรือในกุศลก็บฏสิบอย่าไปสนใจเรื่องฐานมากๆตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะสนใจเรื่องกุศลก็บทได้มากๆหน่อย ปิศาวทฒนสุพรหมอ๋อสู่พรห ม, มเนี่ยมันก็สรุปว่ามันมันเป็นผลของฌานนะฮะพรหมคุณจะไปทางไหนก็ไม่รู้ว่าสมถะกรรมฐานสี่สิบอารมณ์เนี่ยไปสู่พรหมโลกได้แต่นั้นแหละถ้าถึงถ้าถึงรูปฌปานเป็นรถไปคเจอฮะรูรูรูปฌานเอ่อไม่ใช่ว่าคือคือคือคือปฐมฌานอะปฐมฌานทุตีฌานตเตชานจตุเตชาน ท, ท, ท, ท, ทั้งหมดเนี่ยเป็นพรหม เป็นพรโมทั้งหมดแล้วก็ไปถึงอรูปฌานก็เป็นรูปพรโมับเพราะงั้นก็ทางก็เยอะนะแต่ทางเยอะแต่สรุปว่ามันจะบรรจบกันที่ตัวฌานทามานี่จะเยอะเราจะไปรวมทัวกันที่ฌานใช่ไฮะ ตัวนึงตัวกับที่ฌานปรตงสมฌานชานก็เริ่มเป็นผมนะครแต่ต้องดับด้วยชานนะฮะต้องตายด้วยฌานตายในชานดไตายในชานใช่ครับขอบคุณท่านผจัดรสายที่สิบาตายตอนชานเสื่อมไม่เกินขอบคุณครับสายที่สิบสามันรออยู่ครับสวัสดีครับแฟนรายการครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแฟนรายการครับครับเออรบควนพูดดังๆนิดนึงครับสายค่อยมากเลยครับ ครับสวัสดีครับเชิญสอบถามได้เลยครับคืออยากสอบถามทาบุญครับนั่นแหละแล้วรบกวนต่อเข้ามาใหม่นะครับพอดีสายค่อยมากเลยนะครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสามหนึ่งห้านะครับแล้วกวนต่อเข้ามาอีกสักครั้งครับวันนี้สายมันก็ดีฝนตกหนะครับครับผมก็สอบถามเข้ามาได้นะครับครับมาแล้วนะครับสวัสดีครับเฟดการ์ดครับสวัสดีครับครับผมอผมอยากได้เทส คำเอ่อคำสิบสองที่คุณเมื่ีเนี่ยได้ครับได้ครับผมเด้ยังไงเดี๋ยวผมประชันสมบัตให้อีกครั้งสครั้งหนึ่งแล้วค่อยจดนะครับครับครับขอบพระคุณมากครับครับผมครับก็เป็นดํำหลีของท่านคุณเอกเสรีผุขมานนะครับและท่านดรธีพรภูยภพขมานนะครับอยากให้แฟนรายการได้ฟังธรรมะนะครับก็จะเลยแจกธรรมะนะครับโดยการที่เอ่อนำเทปชุดคำสิบสอนะครับซึ่งเป็นเทปที่แจกในโอกาสพระราชพิงีศพของคุณแม่ท่านคุณเอกเสรีผุขมานนะครับ ก็แจกหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าท่านได้นํามาให้ทางเรานะฮ ะ, ะได้อัดสําเนาใหม่แล้วก็แจกเพื่อแฟร่รายการโดยเฉพาะเลยนะครับเสียงทํามศรีปทุมนะครับ61สปรหลโยธินจะอยจัจกกรุงเทพหน0่งศนะครับสอบถามปัญหาธรรมะเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็จดหมายมาได้นะครับเพื่อจะขอสีดีขอเทศต์ธรรมะนะครับท่านที่คุยแจครับในวันอาสาฬหบูชาที่ไม่ทราบว่าทางท่านที่คุยแจนภารกิจจะต้องทําอะไรมีคัถก็ มันนี้เห็เข้ามาจะนิมนต์ไปไปัับันอภิปรายที่ท้องสนามหลวงออ ต, ตามปกติแล้วก็ปฏิบัติพิธีกรรมมาฮะก็ก็า อ, อาจจะมีไปส่วนร่วมก็เราก็ยังไม่รู้แต่ตามปกติแล้วก็เหมาเมา่๋อเกซเขามักจะนิมนต์ครับอย่างนิมนต์ไปก็ก็ค่อนข้างดรัวงก็พูดไม่ได้มากาครับก็ก็ยังคิดจะทําหนังสืออยู่แต่ว่าพอดีหนังสือมันก็ออกเยอะครับ เคยก็ยังชะลอแต่ว่าอมามีหมอจากอเมริกาเขาเขาบริจาคค่ะทำเทพนิเทศทำเคยเคยให้หรือเปล <Okay. S 2> ่าก็เคยยี่สิบหกชั่วโมงอะ oh. เอ็มพีสามเวลักสูตรนักทำดนตรีบรรยายเรื่องบรรยายกับพระพระนักศึกษาพระนวกก็ oh, แล้วก็นะแล้วเขาก็มีพระก็ไปอัดไว้แล้วก็โยมเขาก็ชอบแล้วก็บริจาคเงินครับ ทำไปกี่พันเลยบรรดินี่วันนี้มีคนก็บอกว่าส่งส่งเงินมาให้อีกขอสองพันเล่มออไม่ใช่สองพันสอแผ่นสองพันแผ่นเป็นซีดีธรรมาเป็นซีดีสามเลยเอ็มพีสามต้องมีเครื่องเอ็มพีสามเปื่อได้นะครับผมฟอนถ้าโยมต้องการก็ได้ฮะก็เหมือนกับเรียนพําธรรมจีเลย บรรยาากี่ชั่วโมงท่านคุณจารย์ครับ26ชั่วโมงเลยครับในแผ่นเดียวนะครับแผ่นเดียวโอ้โหครับผมครับผมขอบคุณท่านคุณจารย์ครับถ้าอย่างไรข้าวก็ขอทางศรีปทุมดาฟให้ก็ได้นะครับก็ได้ครับผมก็จะทางพระเป็นรีนะครับก็มีจิตสัทธานะครับในการส่งเป็นธรรมบัญญัติให้นะครับอะไรก็แล้วแต่นะถ้าทางรายการเสียงธรรมจากศรีปทุมนะครับจะได้ร่วม ทำเพื่อพุทธศาสนานะครับท่านพระเดกเสรีผู้กมาลและท่านอธิการบฏิยินดีเลยนะครับสายที่สิบสามครับสวัสดีครับแฟนรายการครับครับผมจารยรับกวนพูดดังๆนิดหนึงนะครับสวัสดีอาจารย์ครับผมทํำยังไงจะได้รู้ว่าเรานั่งสมาธิแต่ถึงชั้นไหนคะต่อทํำยังไงถึงจะรู้ว่าเรานั่งสมาธิได้ถึงไหนนะครับใช่ค่ะครับผมได้ได้ได้ในระดับไหนไหมครับ อ่าก็เวลานั่งจะนั่งจะแม้เหมือก็น้ําตาไหลแล้วก็โอครับผมตัวจะจะเบาขึ้นตัวจะเบาขึ้นนะครับครับได้ครับงั้นงั้นรับฟังพระเดชพระคุณทางวิทชยุทธ์เยนะครับแล้วแล้วเราจะรุวมร่วยังไงคะว่าถึงขั้นไหนถึงขั้นไหนนะครับได้ครับผมรับฟังทางวิทียุนะครับ ครับครับขอบคุณมากครับพอดีสายค่อยไปไหนนะครับแฟนรการถามว่าจะตามปกติแนวนี้นะฮะมันเหมือนเรากินอาหารนั่นแหละเราเป็นคนรู้เองครับผมทีนี้แนวที่บอกมาเป็นลักษณะของปีติปีติแบบน้ําตาลไหลไปรู้สึกตัวลอยเนี่ยมันปีติปีติเป็นเกิดขึ้นเราก็ดูที่จิตมันสงบจากนิวรับแล้วเราจะเห็นปีติวิตกที่เป็นกุศลวิจารณ์ที่เป็นกุศลปีติความมื่อพิมพ์ใจสุข แล้วก็จิตมันนิ่งครับซึ่งคนอื่นไม่รู้ไม่ได้เรารู้เองคนอื่นจะไปรู้ได้ไงฟังก็ตามเป็นก็เรียกว่าเป็นสรรทิติโกคือผู้ผู้ปฏิบัติจะเห็นได้เองครับขอบคุณครับผมขอสายสุดท้ายนะครับมารออยู่ครับสายที่สิบสี่ครับสายสุดท้ายครับสวัสดีครับฝ่ายรายการครับสวัสดีครับครับผมเบอร์ที่คําว่าเจตสิกับอารมณ์นะครับเจตสิกับอารมณ์ใช่ไหมครับครับผมรับฟังทางวิทยุนะครับขอบคุณมากนะครับ คืออารมณ์มันเป็นอาการของเจตสิกครับนะชอบก็เป็นเจตสิกนะชังก็เป็นเจตสิกแต่มันก็เป็นอารมณ์นะปราเด็นว่าความโลภความโกรธความหลงความเมตตาความกรุณานี่มันลักษณะเป็นอารมณ์ดังนั้นนะฮะมีเมตตาเป็นอารมณ์กรุณาเป็นอารมณ์ความโลภเป็นอารมณ์ริษยาเป็นอารมณ์นะเพ้นมันต่อกันไปอะฮะเป็นอาการของเจตสิกเป็นอาการของเจตสิกครับเช่นว่าเช่นว่าคนโกรธเนี่ยที่จริงมันเป็นอาการของโทสะ มันไม่มันไม่มัน ม, มันไม่ใช่ตัวโทรสระแต่มันเป็นอาการของโทรสระเพราะว่าโธสระมันเป็นนามธรร ม, าามาเราไม่เห็นฮะเข้าัจ <laughs> ไ <laughs> แต่ที่ออกมาทางแวลตาเสียมือเนี่ยที่จริงมันเป็นอาการขาาอนมะันเพราะงั้นอันนี้คือ อ, อันนี้เป็นอาการของอารมณ์อีกทีหนึ่งครับผม ต่อกันไปขอบคุณท่านผู้จัดครับขออนุญาตกลาบขอภัยหลายสายนะครับที่โทรเข้ามาแล้วไม่สามารถโทรเข้ามาได้ครับสายแน่นมากนะครับและบางเงื่อนนะครับมีฝนตกอาจจะติดต่อําบากสักนิดหนึ่งนะครับยังไงวันจันทร์หน้าโทรเข้ามาใหม่เลยนะครับ022413315นะครับวันนี้รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบปจุ่มขอกลับราท่านผู้รับฟังรายการทุกท่านก่อนนะครับขอความเจริญง้อการไปบุญในธรรมีแด่ท่านผู้รับฟังรายการทุกท่านครับขอกลับสวัสดีครับ